การตั้งใจการที่เราจำเป็นต้องอบรมต้องฝึกตนบ่อยๆอย่างนี้เนี่ยก็ให้พากันระลึกให้ได้ว่าเนื่องจากว่าการฝึก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 เรื่องธรรมะอันสุ ข, ขุมลุ่มลึกเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถจะบรรลุได้ง่ายง่ายทางนี้ก็เพราะว่าการฝึกฝนอบรมตัวของเราเองทุกคนนี่แหละมันน้อยไปร <c oughs> ะลึกถึงตนให้มันได้ท่านผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนนั้นมาก ก็สมควรแล้วอย่างนี้พะเกิดมาชาตินี้ท่านฟังธรรมท่านก็รู้ทำได้ทันทีสามารถบรรลุมะขผนธรรมวิเศษได้ในขณะที่ฟังธรรมจบลงก็มีบางพวกก็ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจในแนวทางปฏิบัติได้ทันทีแล้วก็จำเอาแนวทางนั้นไปปฏิบัติตาม เมื่อพฏิบัตรไปก็เห็นผลไปทันทีจิตใจก็ดูดืดด่มในธรรมะนั้นไปเรื่อยๆในที่สุดท่านก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้นี่ท่านผู้ที่ฝึกตนมามากนะยอมเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าใครๆที่ไม่ได้ฝึกตนมาเท่าที่ควรก็มาบรรลุได้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 แปดค่ำสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งสี่ครั้งอย่างนี้นะแล้วก็ฝึกตนให้นำตนเข้าไปอยู่ในวัดวาอารามสมทา น, นศิลโอบสถอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งในในระหว่างที่รักษาโโบสดอยู่นันก็ฟังธรรมด้วยทำสมาธิภาวนาไปด้วยนี่สำหรับผู้ครองเรือนน่ะ วิธีฝึกตนก็ถือโอกาสเจ็ดฟันไปฝึกตนในวัดอารามสักครั้งหนึ่ง <c oughs> เดือนหนึ่งมีอยู่สี่ครั้งคนแต่ก่อนนัก บ, บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาแล้วพ่อปฏิบัติเหล่านี้นะดังนั้ น, นควรพากันรู้แนวทางปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่ว่า เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์เดียวหามีได้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาศัสรูในโลกก็มีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันนี่เองนะ <c oughs> ก็มีให้ทานมีรักษาศีลมีภาวนามีการฟังธรรมเหมือนกันนั่นแหละสำหรับผู้ที่มีอินทร์บารมีแก่กล้า ก็ไม่พอใจอยู่ในเพียงข้อปฏิบัติเท่านั้นบ้นี้ก็จึงเอาตัวเข้าบวชถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นชีนุ่งขาวห่มขาวสมทานสินแปดเป็นนิจสินไปแล้วก็ฟังธรรมภาวนาอุปธรรมบำรุงพระภิกษุสามเณร ในสิ่งที่ในกิจที่ควรทำของตนของตนนี่สำหรับถ้าเป็นผู้ชายก็ส่องออกบวชถ้ายังบวชห่มนุ่งเหลืองห่มเหลืองยังไม่ได้ก็นุ่งขาวห่มขาวโกนศีรษะไปกอนรักษาศีลแปดเป็นนิจสิลเช่นเดียวกันกับผู้หญิง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 ก็มาทำข้อวัดปฏิบัติให้เข้มงวดกวัวขันยิ่งกลัวที่ยังไม่ได้บวชเพราะมันเกี่ยวกับสิกขาบทวินหลายมากกล้าที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามมานั้นก็จะความสำรวมระวังก็จึิงที่เข้ากลัวที่ไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนน เพราะฉะนั้นการบวชเป็นพระเป็นเลนนี่จึงได้อานิสง์มากกลัวผู้ครองเรือนถ้าพูดถึงอานิสงฆ์ของการบวชนะนั่นยอานิสง์ของการบวชนี่นอกจากได้บุญได้กุศลแล้วก็สามารถชำระอาศวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้เดี่ยวสามารถละอาศวะกิเลส ให้บอบาบางออกไปจากกิจใจได้ได้ดีกว่าผู้ครองเรือนเพราะได้มีโอกาสเต็มที่สำหรับผู้ไม่ประมาทนะถ้าผู้ประมาทแล้วก็อย่างว่านั่นแหละถึงจะบวชอยู่สักกี่พรรษาก็ยังเอาชนะกิเลสเงียบๆไม่ได้ก็มีอยู่ทมอไปข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระศาสดาก็ทรง แสดงไว้สำหรับคนทุกประเภททุกเพศทุกวัยทรงแสดงไว้หมดเลย้เป็นผู้ออกบวชไม่ได้เป็นเครือหัดครองเรือนกระทรงแสดงข้อปฏิบัติสามประการแนะนำให้ทาบุญบริจาคทานด้วยวัตถุสิ่งของ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 ก็ขอนขวายหาปัจจัยสี่มีอาหารนาบินธาบาตเป็นต้นนั่นเองเมื่อมีปัจจัยสี่เหล่านั้นมาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างอย่างนี้แหละ <c oughs> อ, อฝ่ายพระภิกษุสามเณรเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วก็สํานึกถึงหน้าที่ของตนว่าหน้าที่ของผู้บวชเข้ามามีอย่างไรบ้าง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 ผู้เป็นทายกทายิกาก็ทรงบรญญัติสิกขาบทห้ามไว้เหมือนกันแต่ว่าสิขาบทที่ห้ามไว้นั้นมันก็มีน้อยกว่านักบวชในว่าทรงบรญญัติห้ามเป็นขั้นตอนไปเช่นอย่างว่าสินห้าอย่างนี้นะ <c oughs>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 มันก็มีอยู่ห้าประการนี้เองแหละส่วนใหญ่น ะ, ะหลักของของบาปนะแต่ที่นี้ส่วนปีกย่อยเนะี่ยมันก็มีออกไปจากนี่แหละออกไปจากสินห้าข้อนี้เองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เจ้าจ้งเนียทรงบัญญัติสีขาบทห้ามไว้ห้าประการนี้สำหรับผู้ครองเรือนอ่าเป็นอย่างนั้น ทีนี้เมื่อมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นไปกว่านั้นก็เอาสมทานศินโุ โ, โสถไปดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยเป็นขั้นตอนไปอย่างนั้นสําหรับทายกทายิกาจนดตลอดถึงมาได้นุ่งขาวหม่มขาวโคนผมโคนผิวอะได้เข้าไปอย่างเนี้ยออสําหรับผู้หญิงแล้วก็คงจะสิ้นสุดลงนั้นแหละการบวชแต่สําหรับผู้ชายแล้วก็จะได้ เรื่อนขั้งขึ้นไปบวชเป็นพระภิกษุสามเณรต่อไปข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสันเลขะปฏิบัติแต่ว่าเป็นการขัดเกลากิเลสตัณหาอวิชชาทั้งหลายให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจถ้าผูใ้ใดสมัรทันมั่นในใจไม่ล่วงเกินในข้อห้ามข้ออนันใดที่ทรงอนุ ญ, ญาตก็ทำตามไป อย่างนี้แล้วก็ผู้นั้นจักเป็นผู้ไม่มีโทษติดตัวจะไม่มีบาปติดตัวเป็นเป็นพระภิกษุสามเณรนีน่เป็นอุดมรเภทเป็นเพศอันอุดมเป็นที่กราบที่ไหว้สักการ บ, บูชาของทายกทายิกาดังนั้นพระศาสดา จ, จึงได้ทรงบัญญัติห้ามความประพฤติไว้หลายอย่าง เพื่อให้มีความประพฤติเรียบร้อยดีมีจัรญามรารยาท<ม>ดีกว่าผู้ครองเลือนทำ<ม>ไมเช่นนั้นแล้วทายกทายิกาก็จะไม่ยินดีกราบไหว้สักการ บ, บูชาเช่นอย่างเป็นพระภิกษสุสามเณรมาเนี่ยยังแสดงบทบาทแห่งความโกรธโมโหโทโสอะไร ออกมาให้ทา ย, ยกทายิกาได้เห็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้ น, นใครเขาจะไปยินดีกราบไหว้เพราะเป็นพระคําว่าพระนี่เป็นผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐในที่นี้ต้องไม่เบียดเบียนใครอการแสดงความโกรธออกนั้นจะเป็นการแสดงถึงความเบียดเบียนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะเป็นพระไม่ได้อะจะเป็นพระโดยคุณธรรมไม่ได้เลย เป็นพระได้แต่สมมุติตั้งแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นเองแล้ว <c oughs> ก็ยังสะสมอะไรต่ออะไรอยู่เหมือนอย่างคารวะวิสัยอย่างนี้นะถ้าหากว่าพระภิกษุสองสามอเ น, นรูปไหนไปสะสมปัจจัยเครื่องอาศัยไว้มากเกินประมาณอย่างนี้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 ทำบุญบริจาคทานแล้วนี้พระก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องสึกออกไปทำมาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองไปอย่างนั้นนี่วัดวาอารามนี่ถ้าขาดพระภิกษุธรรมเนีร์อยู่อาศัยแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นแหละพุทธศาสนาจะเสริมไปได้ก็เพราะบริษัทสี่เล่านี้แหละไม่พร้อมใจกันปฏิบัติตามธรรมตามวินัย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 เข้มวดกดขันอย่างเต็มที่สำรวมจัญิยญามรารยาทไทละมุนละไมยอย่าไปแสดงความโมโหโทโสอะไรกับใครต้องมีขันติธรรมอดกลั้นต่อคำด่าว่าเสียสีต่อคำกระทบกระทั่งทัางๆธรรมดาเป็นพระเป็นเนรนะต้องมีขันติธรรมอยู่ในใจเป็นเครื่องประดับใจเช่นนี้มันจึงจะเป็น ที่น่าเลื่อมใสนับถือของทายกภายิกาเหนพ่พึงเข้าใจก็นในเมื่อพระภิกษุสามเณรยังละกิเลสไม่หมดนี่นะมันก็ต้องอาศัยความอดทนแหละอดกั้นไม่ให้กิเลสมันมีอำนาจเหนือจิตใจได้เราอาศัยความอดแหละไปก่อนเมื่อเรายังละมัน ยังถอนรากของมันไม่ได้อย่อะนี่แหละ <c oughs> แม้เป็นคฤหัสน์ก็เหมือนกันมีกิเลสเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเรื่องความอดทนนี่นะ่ะมันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนทั้งนักบวชทั้งคฤหัสน์จะต้องเอาไปใช้ไปสร้างขันติความอดทนนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนให้ได้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 มันจะโกรธอย่างนี้นะอดกั้นลงไยไม่โกรธมันอย่างนี้เมื่อไม่โกรธมันได้อย่างนั้นแล้วใจมันก็เป็นปกติภายหลังมาจึงใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโกรธนั้นแบนดนี้นะในความโกรธนี่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาจะพึ่งสอดส่องมองเห็นก็เมื่อมันเห็นโทษแห่งความโกรธด้วย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 ก็ใจต่างหางนี่เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันเกิดเองเป็นเองฮะไม่ใช่อะใจชอบใจกับกิเลสล่า น, นั้นก็สร้างมันขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้เมื่อใจนี่ไม่เบื่อมันไม่เห็นโทษของมันจะไปล ม, มันได้ยังไงอ่ะตัวเองเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาคิดดูให้ดีไม่มีใครสร้างให้นะตนเองสร้างเอาเช่นอย่างว่า เมื่อใครแสดงกิริยามารยาทไม่ให้พออกพอใจแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยเหมือนก็โกรธขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนี่คนส่วนมากมากกักจะไปโทษคนอื่นนั่นยแหละคนนั้นน่ยมาทําให้เราโกรธใช่ไหมคนนี้น่ะทําให้เราเสียใจ อ, อย่างนี้เลยอ้าวเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงอ่ะอือก็คิดดูสิ คนทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ใครจะไปเที่ยวห้ามใครไม่ทำความชั่วพูดชั่วอะไรเนี่ยจะไปห้ามได้ยังไงอะนั่นเลยข้อสำคัญรพระพุทธเจ้ายังสอนให้คนเราั้นห้ามตัวเองนี่ให้มันได้เพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามผู้อื่นไม่ให้ทำอะไรกับเราในทางที่ดีหรือที่ชั่วอย่างนี้เราวแล้วจะไปห้ามไม่ได้เลย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 อิจฉาสิอย่างต่างนี้ไว้ในใจให้มองมากแล้วแม้จะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนคนทั้งหลายเห็นเขา้าแม้ไม่ใช่ได้พูดอะไรกันมันก็รู้สึกตะกิดตะของใจแล้วเอ๊ะคนนี้มันดูน่าเกลียดเหลือเกินวัวนี่เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยววนันนี้เมื่อเป็นเช่นนั้น่ะไปพูดอะไรทําอะไรกับใครนี่เขาไม่ไม่มีใครเขายินดีด้วยเลยอืม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 ต่อบุคคลที่มาล่วงเกินตนเช่นมาดามายกโทษเป็นต้นเนี่ยเราให้อภัยไปอย่าไปโกรธตอบให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในอภัยทานเหล่านี้เรื่อยไปฝึกจิตใจให้มันตั้งมั่นอยู่ในความเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณาปาถนายสัตว์ทงหลายเป็นสุขทั่วหน้า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 ก็โน้มใจไปในทางพระนิพพานบัณนี้นะนั่นเนี่ยเราทำบุญให้ทานรักษาสินภาวนาอะไรก็น้อมใจไปเพื่อพระนิพพานบนัณฑีตไม่ได้น้อมใจไปเพื่อยอย่างอื่นน้อมใจไปเพื่อความสงบเพื่อความระงับจากอาสวะกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องน่วงเหนี่ยวชีวิตจิตใจ น, นี้ให้คล่องอยู่ในโลกแสนทุกข์แสนทรมานอันนี้ นี่เราน้อมใจไป เ, เพื่อความสงบระงับให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปความสงบระงับนี่แหละเป็นสายของปานิพานมันพยายามทําใจสงบไปเรื่อยๆไปมันก็ใกล้ต่อปานิพานเข้าไปเรื่อยๆดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้